รวมสิกขาบทที่มีในปัตตวรตหนึ่ง ต, ตะสิกขาบทว่าด้วยบาท 2. อูนะปัญจพันธนาสิกขาบทว่าด้วยบาทมีรอยซ่อมย่อนกว่าห้าแห่ง 3. เพศัตชะสิกขาบทว่าด้วยเพศัต 4. วั r สิกะสาติกะสิกขาบทว่าด้วยผ้าอาบน้ําฝน 5. จีวระอัดฉินธนสิกขาบทว่าด้วยการให้จีวรแล้วชิงเอาคืน 6. สุตตะวินยติสิกขาบทว่าด้วยการออกปากขอได้ 7. มหาเปสการะสิกขาบทว่าด้วยการสั่งช่างหูกทอจีวร 8. อัจเจกะจีวระสิกขาบท ว่าด้วยอจเจกะจีวร 9. เก้าสาสังกะสิกขาบทว่าด้วยเสนาสนะป่าที่หน้าหวาดระแวงสิบปารินตะสิกขาบทว่าด้วยการน้อมลาบนิสักคียาปาจิตตีสามสิบสิกขาบทจบ